22. วิธีการเจริญสติปตัฏฐานวงเล็บเปิดนัสาราปันมีบ้านอารีโค ล, ลอน14กันยายน2551วงเล็บปิดเจริญพรโยมวันนี้ไม่น่าอาจจัศจรรย์เท่าไหร่นะเพราะเรามาพบกันโดยมีการนัดหมายแต่จำนวนก็รู้สึกจะเป็นพันเราชาวพุทธมาเจอกันทั้งทีเราก็ต้องประกาศธรรมะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่องอาจกล้าหาญนะเพราะเป็นของจริงไม่หวั่นไหว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 ไม่ยากเลยที่ผู้เจริญสติปัฏฐานอย่างถูกต้องจะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้แต่ที่ยากที่สุดก็คือทำอย่างไรจะเจริญสติปัฏฐานได้ยากที่คนคนหนึ่งจะเจริญสติแต่ไม่ยากที่ผู้เจริญสติแล้วจะเข้าถึงธรรมะดังนั้นเราต้องเรียนต้องฟังพวกเราอยู่ๆจะมารู้ด้วยตนเองไม่ได้หรอกว่าวิธีเจริญสติทำอย่างไรต้องศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ถ่องแท้เสียก่อนการเจริญสตินั้น ขั้นแรกเราก็ต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสติก็ไม่มีอะไรจะไปเจริญก็จะไปเจริญความไม่มีสติแทนดังนั้นถ้าเราอยากเจริญสติปัตฐานเราก็ต้องรู้ก่อนว่าสติปัตฐานมันเป็นอย่างไรอันแรกต้องมีสตินะสติเป็นความระลึกได้ถ้าเป็นสติปัตฐานจะแตกต่างจากสติธรรมดาสติธรรมดานี่เป็นความระลึกได้ในอารมณ์ที่เป็นกุศลถ้าระลึกในอารมณ์อกุศลนี่ไม่จัดว่าเป็นสติ ถ้าะระลึกได้ในอารมณ์ที่เป็นกุศลถึงจะเป็นสติแต่จะเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่าอยู่ที่ว่าอารมณ์ที่ะระลึกอยู่นั้นคืออะไรถ้าหากเป็นการะระลึกรู้รูปนามรู้กายรู้ใจจึงจะเรียกว่าสติปัฏฐานเราต้องคอยมีสติะระลึกรู้รูปนามรู้กายรู้ใจการรู้นั้นมีสองระดับซ้อนกันอยู่อันหนึ่งรู้ด้วยสติอันหนึ่งรู้ด้วยปัญญาเพราะสติปัฏฐานนั้นทาไปแล้วจะได้สองอัน อันแรกทำไปเพื่อความมีสติอันที่สองทำไปเพื่อให้เกิดปัญญาเรียกว่าเพื่อยานนทัศนะตัวที่ทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์จริงๆคือตัวยานนั่นเองตัวปัญญานั่นเองลำพังตัวสตินั้นเป็นแค่จุดตั้งตน้นเวลาเรามีสติเราจะสามารถระลึกรู้ถึงความมีอยู่ของกายและลึกรู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจได้ถ้ามีปัญญาเราจะเห็นความจริงของกายเราจะเห็นความจริงของใจตัวนี้ตัวสาคัญมาก ถ้าไม่เห็นความจริงของกายไม่เห็นความจริงของจิตใจเราจะยึดถือกายยึดถือใจไม่เลิกไม่ว่าเรารักสิ่งใดนะเราจะทุกข์เพราะสิ่งนั้นเรารักอะไรมากที่สุดเรารักตัวเราเองมากที่สุดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายกับใจเพราะฉะนั้นเรายึดถือกายยึดถือใจไม่พ้นทุกข์หรอกทำไมเราไปยึดถือกายทาไมเราไปยึดถือใจเพราะเราเห็นว่ามันเป็นของดีของวิเศษอาศัยว่ามีกายมีใจคู่นี้แหละ เราจึงได้เสพอารมณ์ที่ดีๆทั้งหลายในทางโลกอาศัยมีตาก็ไปมองรูปมีตาอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีใจด้วยมีวิญญาณทางตามีความรับรู้ทางตาก็ไปดูรูปดูแล้วก็ส่งสัญญาณเตือนมาที่ใจมาบอกนี่รูปนี้นะสวยนะดีนะจิตใจก็ทำงานต่อเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดอะไรขึ้นมาเยอะแยะปรุงแต่งไม่เลิกเพราะฉะนั้นอาศัยที่ว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจ มันก็เลยไปเชื่อมต่อเข้ากับโลกได้เห็นของสวยของงามได้ฟังของดีได้กลิ่นที่ถูกใจได้รสที่ถูกใจได้สัมผัสที่ถูกใจได้คิดได้นึกในเรื่องที่ถูกอกถูกใจถ้าหากเรามีตาแล้วเราเห็นแต่ของที่ไม่ดีอาจจะอยากตาบอดก็ได้หรือมีหูได้ยินแต่เสียงด่าตลอดเวลาเลยหูหนวกเสียได้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าบางทีมันก็ไปสัมผัสอารมณ์ที่ดีที่เพลิดเพลินที่พอใจขึ้นมา มันก็เลยรักในตาหูจมูกลิ้นกายใจคิดว่ามันนำความอริดอร่อยมาให้แต่ถ้าเรามาเจริญสติจริงๆเรามาคอยรู้สึกกายรู้สึกใจเรามาดูกายอย่างที่เขาเป็นดูใจอย่างที่เขาเป็นกายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นตามดูมันไปมันเป็นอย่างไรมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้การที่เราเห็นกายใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงถ้าเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายจะเบื่อคนที่เรียนกับหลวงพ่อตอนนี้มีเป็นพันพันคนแล้วที่จิตมาถึงความเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายกำหนัดก็คือคลายความรักใคร่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพระธรมมรมณคลายความรักใคร่ยินดีในรูปในนามในกายในใจนี้เพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจนี้ พอหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วในพระไตรปิฎกจะมีคําอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นวลีถ้าภาวนาไปแล้วจะรู้สึกสะใจมากท่านพูดถึงความหลุดพ้นบอกว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดหลุดพ้นด้วยปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตติอันไม่กําเริบกลับชาสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกปิดเครื่องหมายคําพูด ทีนี้ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องเริ่มต้นก่อนต้องมีสติรู้กายมีสติรู้ใจสติไม่ใช่การคิดสติไม่ใช่การกำหนดจดจ้องพวกเรารุ่นหลังไปแปลในเครื่องหมายคำพูดสติว่ากำหนดแปลผิดในเครื่องหมายคำพูดกำหนดเป็นภาษาเขมรคำเดียวกันกับคำว่าในเครื่องหมายคำพูดกดกดเอาไว้ข่มเอาไว้บังคับเอาไว้ควบคุมเอาไว้ ในขณะที่คำว่าในเครื่องหมายคำพูดสติแท้ๆ แ, แปลว่าความระลึกได้ความระลึกได้เกิดจากอะไรตัวนี้ต้องเรียนความระลึกได้เกิดจากจิตนี้มันจำสภาวะได้แม่นยำเรียกว่ามันมีธิระสัญญาธิระนี่คำเดียวกับที่คนไทยใช้คำว่าสถียรหรือสถิระมันจดจำสภาวะธรรมได้แม่นเห็นไหมอาศัยสัญญานะบางคนเกลียดสัญญา ถ้าปราศจากสัญญานี่ทำวิปัสนาไม่ได้กระทั่งในสมาธินะพระสารีบุตรเคยบอกว่าในสัญญาสมาบัติในสมาธิที่ยังมีสัญญาอยู่ยังเอาไว้ทำวิปัสนาได้ถ้าเพิกสัญญาไปแล้วทำไม่ได้สัญญามันจะเป็นอย่างไรสัญญาเป็นความจำสภาวะได้แม่นดังนั้นเราต้องหัดรู้สภาวะก่อนสภาวะของรูปธรรมเป็นอย่างไรสภาวะของนามธรรมเป็นอย่างไรคอยหัดรู้ไปเรื่อย สภาวะของรูปธรรมแท้ๆดูยากมากรูปแท้ๆคือธาตุธาตุสี่รูปที่เหลือนั้นเป็นสิ่งซึ่งธาตุสีสร้างขึ้นมาอาศัยธาตุสีเกิดมาอีกทีหนึ่งอย่างรูปผู้หญิงรูปผู้ชายรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนอาศัยธาตุสีประชุมกันขึ้นมาแล้วก็บิดเบือนตัวเองไปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดังนั้นรูปแท้ๆคือตัวธาตุธาตุจริงๆดูยากที่สุดคนจะดูให้เห็นตัวธาตุได้ จิตต้องทรงสมาธิจริงๆจิตต้องตั้งมั่นจริงๆเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกในอัทธกถาในพระอภิธรรมจะสอนว่ากายานุปัสสนาการรู้กายเหมาะกับสมาธายานิกเหมาะกับคนทำฌานทำฌาน จ, นจนจิตตั้งมั่นขึ้นมาจริงๆเรียกว่ามีเอโกที่ภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งหมายถึงว่าจิตมันทรงตัวเด่นขึ้นมาแยกตัวเองออกมาจากสิ่งต่างๆที่มันไปรู้เข้าเช่น ร่างกายนี้หายใจอยู่จิตเป็นคนรู้อยู่ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้อยู่จิตจะทรงตัวแยกออกมาอยู่ต่างหากมันถึงจะเห็นว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี้เป็นแค่ก้อนธาตุที่เคลื่อนไหวฟังดูเหมือนยากนะแต่หัดฟังไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งสติเกิดหลายคนที่มาส่งกันบ้านหลวงพ่อมีนับไม่ถ้วนแล้วบางคนไม่ได้เจตนาเพราะถ้าเจตนาจะไม่เห็นเจตนาก็เป็นโลภะเจตนา ยังกําลังอาบน้ําอยู่ถูสบู่ถูถูถูไปสติเกิดระลึกถึงร่างกายร่างกายถูสบู่สติระลึกถึงร่างกายได้ใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่มันจะเห็นในฉับพลันนั้นเลยไอ้ตัวที่เรากําลังฟอกสบู่อยู่นี่เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เป็นท่อนๆเป็นแท่งๆเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แข็งๆบ้างอ่อนๆบ้างร้อ น, อ น, บนๆบ้างเย็นๆบ้างเนี่ยมันไปสัมผัสเอาตัวาธาตุเข้าจะเห็นทันทีเลย ตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันไม่ใช่ตัวเราแล้วนี่จิตจะต้องตั้งมั่นนะจึงจะเห็นแต่สภาวะของนามธรรมนี้จะง่ายบางคนบอกว่าดูจิตยากหลวงพ่อเคยเรียกเด็กมาถามรู้จักโกรธไหมเด็กก็รู้จักนะรู้จักโลภไหยเด็กก็รู้จักรู้จักหลงไหมใจลอยเมื่อเมื่อเผอเผลอเคลิ้มเลิมไปเด็กก็รู้จักรู้จักอิจฉาไหมก็รู้จักรู้จักกลัวไหมรู้จักเกลียดไหมรู้จักกังวลไหม สภาวธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวนั้นพวกเรารู้จักกันดีอยู่ทุกคนแล้วหน้าที่ของเราก็คือคอยตามดูไปสภาวธรรมใดกําลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันคอยตามดูไปให้ดูเล่นๆห้ามไปดูจริงจังห้ามไปจ้องไว้ก่อนถ้าจ้องไว้ก่อนก็จะกลายเป็นการเพ่งถ้าเพ่งใช้ไม่ได้ให้ดูเล่นๆไปเช่นนั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยสังเกตไหมบางทีจิตใจก็เกิดความสนใจบางทีจิตใจก็เกิดความฟุ้งซ่านหนีไปคิดเรื่องอื่น บางทีก็ฟุ้งซ่านในธรรมะคือฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็ไปคิดตามสังเกตใจเราไปบางทีใจเราก็นิ่งรู้สึกไหมขณะนี้ใจนิ่งๆหนิสังเกตไปเรื่อยๆการที่เราหัดสังเกตสภาวะในจิตใจไปเรื่อยๆจะทำให้จิตนั้นจำสภาวะได้แม่นเพราะมันเห็นบ่อยๆมันก็จำแม่นเหมือนเราเห็นคนคนหนึ่งนะเราเห็นทุกวันเลยคนนี้เราก็จาแม่น หลายๆปีเห็นทีหนึ่งก็จำไม่แม่นเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นบ่อยๆมันจะเกิดทิรสัญญามันจะจำแม่นพอจำได้ว่าสภาวะของความโลภเป็นอย่างนี้สภาวะของความโกรธเป็นอย่างนี้สภาวะของความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความลังเลสงสัยสภาวะของความสุขความทุกข์สภาวะของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา แต่ละอย่างแต่ละอย่างมีสภาวะทั้งสิ้นทั้งที่เป็นกุศลอกุศลทั้งที่เป็นกลางๆงแต่ละตัวมีสภาวะแต่เบื้องต้นนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สภาวะทุกตัวไม่จำเป็นเลยนะการเจริญสติปัฏฐานนี้ไม่ใช่ว่าเราทุกคนจะต้องรู้สภาวะทุกๆตัวพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทำสติปัฏฐานเจริญสติปัฏฐานเหมือนกับทางานวิจัยเวลาเราทางานวิจัยเราสมตัวอย่างมาเรียน สมมุติภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางเราไม่ต้องแจกแบบสอบถามให้กับคนทุกคนเราสุ่มได้ถ้าวิธีสุ่มนั้นดีเลือกตัวอย่างได้ดีตัวอย่างนั้นมันจะรีเพรสเซนต์ในวงเล็บเป็นตัวแทนองค์รวมภาพรวมทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราวิจัยธรรมะเรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดธรรมวิจยะท่านใช้คำนี้มาก่อนนะคำว่าวิจัยท่านใช้คำว่าธรรมวิจยะเห็นไหม ให้วิจัยธรรมะธรรมะคือรูปธรรมนามรรมวิธีวิจัยธรรมะก็คือสุ่มตัวอย่างตัวอย่างนั้นท่านเลือกมาให้เรียบร้อยแล้วตัวอย่างนั้นก็คืออารมณ์ในสติปัฏฐานนั่นเองท่านสอนให้รู้ในเครื่องหมายคำพูดกายในกายกายในกายหมายถึงอะไรหมายถึงให้รู้กายบางอย่างสุ่มตัวอย่างของกายบางอย่างมาเรียนเอาอันเดียวก็พอสุ่มตัวอย่างมาหนึ่งกลุ่ ม, มกายบางอย่างเท่านั้น ถ้าเข้าใจกายบางอย่างนี้แจ่มแจ้งจะเข้าใจรูรปและนามคือเข้าใจทั้งกายทั้งใจเข้าใจหมดเลยอย่างแจ่มแจ้งหรือท่านสอนในเครื่องหมายคำพูดเวทนาในเวทนาท่านให้สุ่มตัวอย่างเอาเวทนาบางอย่างนี้แหละมาเรียนถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งก็เข้าใจทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจอีกหรือสอนให้เอาในเครื่องหมายคำพูดจิตในจิตบางอย่างเช่นจิตที่โลภกับจิตที่ไม่โลภ แค่คู right so earth, well. ่เดียวก็พอแล้วจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธจิตที่หลงกับจิตที่ไม่หลงจิตที่ฟุ้งซ่านกับจิตที่โหดหูเพียงคู่ใดคู่หนึ่งก็เพียงพอแก่การวิจัยธรรมะแล้วเพราะอะไรเพราะว่าจิตที่หลงไปนั้นเป็นตัวแทนของอกุศลจิตเห็นไหมมีระบบตัวแทนนะจิตที่รู้สึกตัวเป็นตัวแทนของจิตที่เป็นกุศลจิตที่โกรธเป็นตัวแทนของอกุศลจิตที่ไม่โกรธเป็นตัวแทนของจิตที่เป็นกุศลจิตที่โลภ เป็นตัวแทนของอกุศลจิตที่ไม่โลภเป็นตัวแทนของกุศลมีตัวแทนเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนเราเรียนคู่เดียวพอรู้คู่เดียวจิตที่หลงไปกับจิตที่รู้สึกนี่คือการสุ่มตัวอย่างมาเรียนแล้วจิตที่หลงไปนั้นเป็นโมหะตัวนี้ละเอียดที่สุดแล้วจิตที่เป็นโลภะจิตที่มีราคะอะไรนี้หยาบกว่าดังนั้นคนไหนถ้าภาวนาแล้วสามารถเห็นจิตที่หลงไปได้ ตัวนี้ละเอียดแล้วจิตเราหลงตลอดเวลาเดี๋ยวหลงไปดูเดี๋ยวห ล, ลงไปฟังเดี๋ยวหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรถหลงไปรู้สัมผัสที่กายหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งพวกเราลองดูนะลองตั้งใจดูอะไรรอบๆตัวเราสักอย่างหนึ่งดูอย่างจดจอ่อดูอะไรก็ได้เห็นไหมในขณะที่เราตั้งใจดูเราจะลืมกายลืมใจของเราเองอย่างนี้เรียกว่าหลงดูเวลาหลงไปดูเราก็ลืมกายลืมใจ มาตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมขณะที่ตั้งใจฟังเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองขณะได้กลิ่นขณะรู้รสขณะรู้สัมผัสทางกายขณะที่เราคิดเราก็จะลืมกายลืมใจตัวเองมันมีแต่เรื่องลืมกายลืมใจทั้งสิ้นนี่แหละเรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดหลงหลงมีตั้งหกทางนะหลงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรส หลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกปรุงแต่งหลง ท, งทางหกทวาร น, นี้เยอะเกินไปที่จะเรียนเราสมตัวอย่างให้เล็กกว่านี้อีกหลงอะไรมากที่สุดหลงทางใจมีมากที่สุดสังเกตไหมวันหนึ่งวันหนึ่งหลงคิดมากที่สุดเลยเดี๋ยวก็คิดแวบเดี๋ยวก็คิดแวบเดี๋ยวก็คิดแวบทุกๆวินาที2วินาทีพวกเราสังเกตใจตัวเองไปด้วยนะเรียนแบบปฏิบัติไปด้วยสังเกตไหมใจเราไหลแวบนีไปคิดแวบ นี้ไปคิดเป็นระยะระยะระยะนี่แหละหัดรู้ไปหัดรู้ไปนะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆเราจะเห็นใจไหลไปพอเรารู้ทันว่าใจไหลไปเราก็ตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาแวบหนึ่งไม่เกินสองวินาทีก็ไหลไปอีกแล้วไหลอีกแวบหนึ่งรู้ทันอีกก็ตื่นขึ้นมาอีกเราฝึกอยู่อย่างนี้ทำอะไรมากไม่เป็นรู้จักสภาวะแค่คู่เดียวก็พอแล้วจิตที่หลงไปก็เป็นตัวแทนของอกุศลเราก็จะเห็นเลย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 เพราะฉะนั้นให้หัดรู้ทันใจเราไหลไปคิดแล้วเรารู้ทันใจเราไหลไปคิดแล้วเรารู้ทันต่อไปใจมันหนีไปคิดเราจะรู้โดยที่ไม่ได้เจตนาที่จะรู้ทีนี้เราจะฝึกอย่างไรอันนี้หลวงพ่อพูดทั่ ว, วไปนะเพราะว่าญาติโยมเยอะถ้าเรียนน้อยๆเรียนทีละคนสองคนก็บอกให้เป็นคนๆแต่อย่างเราจานวนมากนะลองทำหลักสูตรกลางๆดูขั้นแรกเลยหาเครื่องอยู่มาอันหนึ่ง อยู่กับพุทธโธก็ได้หรือบางคนชอบชื่อแฟนเคยมีนะหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยท่านให้พระองค์หนึ่งบริกรรมพุทธโธ ท, ท่านก็ท่องพุทธโธพุทธโธแป๊บเดียวจิตมันไม่เอาพุทธโธไปท่องชื่อแฟนแทนรู้สึกแหมเรานี้ใจบาปยาบช้าทิ้งพระพุทธเจ้าไปท่องชื่อสาวเสียแล้วมาปรึกษาหลวงพ่อพุทธท่านบอกถ้าจิตมันชอบก็ให้บริกรรมไปเลยสมมุติว่าแฟนชื่อมาลีก็บริกรรมมารีมาลีไปเรื่อยนะ หรือชื่อมนิริมนิริมนิริอะไรอย่างนี้ท่องไปใจมันชอบใจมันเคล้าเคลียอยู่อย่างนี้แต่ว่าการบริกรรมนั้นเราอย่าไปบริกรรมแบบนกแก้วนกขุนทองเพื่อให้จิตนิ่งอย่างเดียวแค่นั้นไม่พอเราบริกรรมเพื่อให้จิตนิ่งมานานแล้วลองพัฒนาการบริกรรมของเราใหม่บริกรรมแล้วรู้ทันจิตครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อชื่อท่านอาจารย์บุญจันทร์อยู่ถ้ำผาพึ่งท่านอาจารย์บุญจันทร์เคยสอนบอกว่าให้บริกรรม เครื่องหมายคำพูดเปิดพุทโทใจรู้พุทโทรู้ใจจุดๆุดุดพุทโทใจรู้พ la, right. iced, ุทโทรู้ใจจุดๆๆุดปิดเครื่องหมายคำพูดพุทโทเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าพุทโทแล้วมารู้ทันใจตัวเองเพราะฉะนั้นเราสังเกตไปนะเราท่องเครื่องหมายคำพูดเปิดพุทโทพุทโธจุดจุดจุดปิดเครื่องหมายคำพูดสังเกตไหมพุทโธเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเราท่องเครื่องหมายคำพูดเปิด พุดโทพุดโทรพุทโท ธ, to, ทโทธจุดๆุดจุดปิดเครื่องหมายคำพูดไปนะใจไหลแวบหนีไปที่อื่นแล้วนีไปคิดเรื่องอื่นไม่คิดพูดโทแล้วเราก็รู้ทันจิตว่าหลงไปคิดแล้วอันนี้แหละเรียกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดพุทโทธใจรู้พุท โ, ท ธ, รทโทธรู้ใจปิดเครื่องหมายคำพูดพุทโทธเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าพูทโทแล้วก็รู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆหัดพูทโทธหัดให้มันได้อย่างนี้นะ อย่าเอาแค่พุโทโธเฉยๆเหมือนนกแก้วนกขุนทองหรือสัมมารอารหังอะไรเป็นนกแก้วนกขุนทองอันนั้นได้แต่สมถะแต่สมถะก็มีประโยชน์บางครั้งเราก็ต้องทําสมถะทําสมถะเพื่อให้จิตใจได้สงบได้พักผ่อนมีเรียวมีแรงพอมีเรียวมีแรงแล้วเราต้องหัดดูสภาวะต่อไปเพราะฉะนั้นพวกเราหัดดูสภาวะนะลองท่องอะไรสักอย่างหนึ่งในใจเราพุโทโธสั้นไปจะท่องอย่างอื่นก็ได้นะ อรหังสัมมาอะไรอย่างนี้ก็ได้สวดมนต์อยู่ในใจเอาบทสั้นๆไม่ต้องขนาดชินนบัญชรท่องยาวไปเดียวมัวแต่คิดบทสวดมนต์เราท่องเพื่อจะดูจิตเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรามาหัดเครื่องหมายคำพูดเปิดพุดโทโธพุโทโธจุดๆุจุดปิดเครื่องหมายคำพูดใจไหลแวบนีไปคิดรู้ทันว่าจิตนีไปคิดแล้วเรามาพุทโธต่อเครื่องหมายคำพูดเปิดพุทโธพุทโธจุดจุปิดเครื่องหมายคำพูด หนีไปอีกแล้วได้สองพุทโธเองหนีไปอีกแล้วพวกเราลองดูซิอ้าวหลวงพ่อให้เวลาเล็กน้อยให้พวกเราพุดโธแล้วสังเกตดูว่าพูดโธได้กี่ครั้งจิตหนีไปคิดอ้าวเชิญอ้าวพอแล้วมีใครพุดโธได้หนึ่งครั้งแล้วจิตหนีไปบ้างไหมมีไหมยกมือซิโอ้เยอะสองครั้งล่ะสองครั้งแล้วหายไปมีไหมอ้อเยอะเหมือนกันนะสามครั้งแล้วหายไปมีไหมโอ้เยอะหน่ นี่ชักภาวนาเป็นแล้วเห็นไหมเริ่มดูจิตออกแล้วมีใครสิบครั้งแล้วไม่หายมีไหมนี่พวกภาวนาไม่เป็นถ้าพวกครั้งเดียวหายนี่นะพวกสติไวามากเลยพุโทโธจิตไหลปั๊บรู้สึกไหลปั๊บรู้สึกพวกสองครั้งก็ยังพอไหวสติช้าหน่อยแต่ถ้าสติเร็วๆนะเราจะเห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับบางคนบอกพุโทโธมาสาวันสามคืนแล้วยังไม่หนีไปไหนเลยความจริงหนีเรียบร้อยแล้วหนีไปท่องพุโทโธ ให้กันบ้านแล้วนะทุกคนพวกเราเยอะเกินกว่าที่หลวงพ่อจะสอนรายตัวแล้วหลวงพ่อให้กันบ้านในภาพรวมกลับไปฝึกบริกรรมอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งบริกรรมอะไรก็ได้แล้วสังเกตใจเราบริกรรมได้คำสองคาจิตหนีไปทีบริกรรมจิตนี้ไปอีกทีให้คอยรู้ทันจิตที่หนีไปไม่ใช่บริกรรมเพื่อไม่ให้จิตหนีจําไว้นะไม่ได้บริกรรมเพื่อไม่ให้จิตหนีแต่บริกรรมแล้วก็รู้ทันไปว่าจิตมันหนีไปแล้ว คนไหนไม่ชอบบริกรรมก็หายใจก็ได้หายใจออกหายใจเข้าไปดูซิหายใจแล้วจิตมันหนีไปไหมบางทีมันก็หนีไปคิดหายใจไปหายใจมาจิตไปเพ่งใส่ลมหายใจก็ให้รู้ทันอย่าไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวอย่างนั้นเป็นสมาธิที่ไม่เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นให้เราคอยรู้ไปหายใจไปหรือพูดโทรไปหรือบางคนถนัดดูท้องพองยุบเราดูท้องพองยุบแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองเครื่องหมายคำพูดเปิด ท้องพองท้องยุบจุดๆุดจุดปิดเครื่องหมายคำพูดนี่อ้าวหนีไปแล้วเปิดเครื่องหมายคำพูดท้องพองท้องยุบจุดจุดจุดท้องพองท้องยุบจุดๆุจุดปิดเครื่องหมายคำพูดอ้าวหนีไปอีกแล้วนี่ฝึกอย่างนี้นะใช้ได้เหมือนเหมือนกันหมดกรรมฐานอะไรก็ได้ในเบื้องต้นใช้กรรมฐานที่เราถนัดที่เคยทำแล้วสบายใจนั่นแหละเอามาทาแต่พัฒนาต่อยอดขึ้นไปให้เห็นจิตใจมันทางาน ยังสายหลวงพ่อเทียนเขาขยับไม้ขยับมือใช่ไหมขยับมือแต่เราจะขยับส่งเดชขยับไปใจลอยจุดๆๆนี้ไปไหนต่อไหนนี่ใช้ไม่ได้อีกพวกหนึ่งขยับมือไปส่งจิตไปเพ่งอยู่ในมือพวกนี้ก็ใช้ไม่ได้พวกนี้คือเพ่งเอาไว้เราขยับไปแล้วคอยรู้สึกรู้สึกตัวไปใจหนีแวบไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันเนี่ยขยับไปแล้วอ้าวหนีไปนโน่นแล้วรู้ทันนะ ขยับไปแล้วใจหนีไปแล้วรู้ทันเห็นไหมเบื้องต้นใช้กรรมฐานอะไรก็ได้ไม่ดีไม่เลวไปกว่ากันหรอกไม่ต้องทะเลาะกันนะว่าสำนักไหนดีกว่าสำนักไหนรวมความแล้วถ้าทำถูกก็ดีเหมือนเหมือนกันถ้าทำผิดก็ผิดเหมือนเหมือนกันไม่ว่ากรรมฐานชนิดใด เบื้องต้นทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งก่อนแล้วก็หัดสังเกตสภาวะไปกรรมฐานบางอย่างเป็นทางใจล้วนๆอย่างพุดโธนั้นเป็นเรื่องทางใจล้วนๆเราก็พูดโธไปแล้วก็สังเกตจิตใจของเราไปกรรมฐานบางอย่างก็เนื่องด้วยกายด้วยเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราดูท้องพองยุบเรายกเท้ายๆๆ่างเท้าเราหายใจเรารู้อิรยาบดีเราขยับไม้ขยับมือมันจะรู้กายได้ด้วยสมมติเราขยับมือไปหรือดูท้องพองยุบไป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 ดูท้องพ่องยุบแล้วใจเราไหลไปคิดก็รู้ทันใจไปเพ่งท้องก็รู้ทันดูลมหายใจแล้วจิตไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันเหมือนกันหมดวิธีอะไรก็ได้อารมณ์อะไรก็ได้ไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรฝึกไปเรื่อยในที่สุดร่างกายเคลื่อนไหวเราจะรู้สึกจิตเคลื่อนไหวเราจะรู้สึกนี่เรียกว่าเรามีสติแล้วนี่เรียกว่าเราได้เครื่องมือคือสติแล้วร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกจิตเคลื่อนไหวเรารู้สึก หลวงพ่อนะแต่เดิมหัดดูจิตจากหลวงปู่ดูลมาชอบดูจิตดูจิตมาเรื่อยๆวันหนึ่งไปกราบหลวงพ่อเทียนเห็นท่านขยับมือถ้าจะสนุกดีมหัดขยับบ้างขยับอยู่วัน2วันวันหนึ่งเดินอยู่ริมถนนเห็นเพื่อนอยู่อีกฝั่งถนนหนึ่งถนนไม่ใหญ่นะไม่ใช่อย่างยาวราชอะไรอย่างนี้นะรถเยอะโมเดินสม4สุสม5รถเหยียบตายนี่ถนนเล็กๆหรอก เห็นเพื่อนเดินอยู่นี่เราจะข้ามถนนไปคุยกับเพื่อนมันดีใจขึ้นมาดีใจแล้วลืมรู้ว่าดีใจเพราะว่าไม่เจอกันนานแล้วอยากเจอพอเราก้าวขาขาขยับเท่านั้นนะเพื่อจะเดินไปข้ามถนนเท่านั้นสติเกิดเลยมันเห็นรูปที่เคลื่อนไหวขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเราไปหัดอย่างนี้ถึงเวลาแล้วสติจะเกิดเองร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บสติจะเกิดเองหรือเราหัดดูจิตดูใจพอจิตใจเราเคลื่อนไหวสติจะเกิดเอง เราหัดของเราไปเรื่อยๆตรงที่สติเกิดเองนี่สำคัญมากเลยเพราะตรงนั้นปราศจากโลภะเจตนาไม่ได้จงใจไม่ได้มีกิเลแสแทรกเพราะฉะนั้นสติตัวนั้นจะเป็นสติจริงๆรู้ขึ้นเองโดยไม่เจตนาจะรู้แต่รู้เองได้ไหยรู้เองไม่ได้เราฝึกของเรามาเราซ้อมของเรามาจนจิตมันจำสภาวะได้แม่นสติเลยเกิดขึ้นมาทีนี้พอสติเกิดแล้วทาอย่างไรต่อต่อไปพอเรามีสติ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 พวก people, ที่ยืนอยู่ด้วยฟังหลวงพ่อพูดน <True> <enth> <preferences> ี่ไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่รู้เรื่องน่ะรู้เรื่องเพราะคิดนึกออกไหมไม่ใช่รู้เรื่องตรงที่ฟังตรงที่เสียงหลวงพ่อกระทบหูเนี่ยไม่มีความหมายอะไรเลยมารู้เรื่องตรงที่เราไปคิดนั่นเองฉะนั้นจริงๆแล้วรู้เรื่องเพราะคิดเมื่อมันรู้เรื่องเพราะคิดนี่มันอาภัพแล้วมันคิดถูกหรือคิดผิดก็ไม่รู้เหมือนกัน อาจจะคิดเอาเองก็ได้หลวงพ่อพูดอย่างนี้แต่ไปคิดเอาเองอีกอย่างหนึ่งและจริงๆแล้วก็มักจะเป็นอย่างนั้นด้วยกระทั่งหลวงพ่อเองนะสมัยก่อนตอนเป็นเด็กๆเรียนวิชาศิลธรรมก็อสอนเรื่องอริยสัจสี่ทุกสมุทยัยนิโรธมักเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อะไรอย่างนี้ตัณหาเป็นสมุทยัยนิโรธแปลว่านิพพานนิพพานแปลว่าตายแปลไปอย่างนั้นกระทรวงศึกษาสมัยก่อนเดี๋ยวนี้คงแก้ไปแล้วมัง้ง เราดูดูแล้วเออง่ายนะอริยสัจง่ายคิดว่าอริยสัจเป็นของง่ายโอ้โหภาวนาถ้าเป็นแทบตายกว่าจะรู้จักอริยสัจยากที่สุดเลยยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะรู้จักอริยสัจที่แท้จริงเวลาเราฟังธรรมะ น, นะมันฟังแล้วเหมือนเข้าใจจริงๆไม่เข้าใจหรอกมันเข้าอะไรมันเข้าหูแล้วมันจะเข้าหูซ้ายแล้วออกหูขวาซิอีกเพราะฉะนั้นอุดหูไว้ข้างหนึ่งให้มันเข้าแล้วอย่าให้มันออกไป พออุดหูเอาไว้ข้างหนึ่งมันออกทางปากแล้วคราวนี้พูดจอยจอยจอยเดี๋ยวธรรมะหนีไปหมดแล้วมันไม่เข้าใจมันเข้าสมองไปมันเข้าหูไปเพราะฉะนั้นธรรมะจะเข้าถึงใจได้เราต้องปฏิบัติด้วยใจของเราจริงๆรู้ลงมาให้ถึงจิตถึงใจของตัวเองจริงๆเราจะเห็นเลยจิตใจนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตใจเราทํางานตลอดเวลาจิตใจทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดพักเลย คนที่ฝึกกรรมาฐานกับหลวงพ่อตอนนี้จำนวนมากเลยที่สติเกิดทั้งวันทั้งคืนแล้วนอนกลางคืนพลิกซ้ายพลิกขวารู้หมดเลยนอนหลับๆอยู่เนี่ยจิตไปฝันจิตไปคิดนี่สติรู้เลยนะไหลวับรู้สึกวับรู้สึกเลยพวกที่ฝึกได้อย่างนี้ไม่ต้องกลัวไปตกนรกแล้วไม่ไปอบายแล้วเพราะเวลานิมิตตอนตายไม่ดีเกิดขึ้นสติมันจะทางานอัตโนมัติปุ๊บขึ้นมาเลย สมมติกำลังฝันฝันว่าไปเดินขบวนนะกำลังเลือดเดือดอยู่กำลังโกรธแล้วจะตีกับเขาแล้วสติระลึกปั๊บเลยเห็นความโกรธนะขาดสะบั้นตรงนั้นเลยตายไปไม่ต้องตกนรกแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราฝึกนะฝึกให้มีสติเปเรื่อยจนกระทั่งสติมันอัตโนมัติพอสติเป็นอัตโนมัติแล้วสติจะทำหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตจำไว้นะสติมีหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตทันทีที่สติตัวจริงเกิด อากุศลที่มีอยู่จะดับทันทีทันทีที่สติเกิดอากุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะนั้นทันทีที่สติเกิดกุศลจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อสติเคยเกิดแล้วต่อไปสติจะเกิดได้คล่องแคล่วชำนานมากขึ้นกุศลก็จเจริญมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆฝึกหัดรู้สภาวะไปให้กันบ้านทุกคนแล้วพยายามไปทานะต้องช่วยตัวเองช่วยตัวเองไว้พุโทโธไว้หายใจไว้ดูท้องพองยุบไว้ ขยับมือไว้รู้อิริยาบทสีไว้อะไรก็ได้ที่เคยทำทำแต่ว่าไม่ทำแบบเดิมทำแล้วคอยสังเกตจิตจิตแอบไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งใส่มือใส่เท้าใส่ท้องใส่ลมหายใจก็รู้จิตไปทำอะไรก็รู้รู้แล้วก็คอยดูไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดนี่เป็นขั้นเจริญปัญญาแล้วพอมีสติตามรู้กายรู้ใจไปเรื่อยต่อไปมันจะเกิดปัญญา มันจะเห็นเลยว่าร่างกายที่จิตไปรู้เข้านี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นง่ายนะไม่ยากเลยคนที่เรียนจากหลวงพ่อมีเป็นพันๆคนแล้วที่เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่ยังไม่ใช่พระโสดาบันเพราะยังเห็นว่าจิตเป็นตัวเราอยู่แต่บางคนเริ่มขยับขึ้นมาเริ่มเห็นแล้วว่าในความเป็นจริงแล้วจิตก็ไม่ใช่ตัวเราความเป็นตัวเราเกิดจากความคิดนึกปรุงแต่งที่เกิดขึ้นเป็นคราวๆแต่ยังละไม่ได้เดี๋ยวก็มีตัวเราเดี๋ยวก็ไม่มีตัวเรา อันนี้ก็ไม่ใช่พระโสดาบันจริงยังเป็นตัวป ล, มปลอมๆอยู่ให้ดูต่อไปอีกคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปเราจะเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราเราจะเห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยไม่ใช่ตัวเรามันอยู่ห่างๆเราจะรู้สึกว่าร่างกายนี้มันอยู่ห่างๆเป็นเรื่องแปลกนะเราภาวนาแล้วเราจะรู้สึกว่าร่างกายเราเองนี้มันอยู่ห่างๆออกไป เวทนาก็รู้สึกห่างออกไปกุศลอกุศลซึ่งเป็นตัวจิตสังขารทั้งหลายก็อยู่ห่างๆอย่างความโกรธเกิดขึ้นแต่เดิมความโกรธมันย้อมใจเราได้ความโกรธกับใจมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันเกาะ อ, อยู่ด้วยกันคราวนี้แหละในเครื่องหมายคำพูดกูโกรธแล้วในเครื่องหมายคำพูดกูโกรธแต่ต่อมาเราหัดภาวนาพอใจเราตั้งมั่นเราจะเห็นความโกรธอยู่นี่ใจอยู่นี่ไม่เกี่ยวกันต่างคนต่างอยู่ ไม่เกี่ยวกันฝึกไปเรื่อยๆต่อมาเราจะเห็นว่าจิตเองก็เกิดดับการที่จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานั้นง่ายเห็นว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราเห็นว่าจิตที่เป็นกุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเราอันนี้เป็นของง่ายแต่ยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานี่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะพระพุทธเจ้าบอกท่านบอกเครื่องหมายคาพูดเปิดดูกระระพิษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับปิดเครื่องหมายคาพูด คือคนซึ่งไม่เคยฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เครื่องหมายคำพูดเปิดสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ปุถุชนที่ไม่ได้สดับไม่สามารถเห็นได้ว่าจิตไม่ใช่ตัวเราปิดเครื่องหมายคำพูดเพราะฉะนั้นเราต้องหัดสังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยเห็นไหมใจเราเดี๋ยวก็วิ่งไปทางโน้นเดี๋ยวก็วิ่งไปทางนี้บังคับมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็โดหูเดี๋ยวก็อิจฉา ที่วัดหลวงพ่อเวลาคนไปส่งกันบ้านมันจะอิจฉาเขาพอเราส่งบ้างเพื่อนก็อิจฉาเราอีกทำไมแต่ละคนต้องอิจฉากันเพราะว่าเขามีสภาวะที่เราไม่มีเขาส่งกันบ้านในส่วนที่เราไม่รู้ทำไมละ่ะก็ต่างคนต่างเดินทางใครทางมันรู้ไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่ารู้อันเดียวกันคือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นแต่ว่าจะไปรู้อันโน้นรู้อันนี้ก็รู้แตกต่างกันไปตามจริตนิสัยแล้วแต่จะรู้ แต่ว่าทุกสิ่งที่รู้นั้นแสดงไตรลักษณ์ทั้งสิ้นเลยนี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราจะเห็นจิตมันเกิดดับจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตไปคิดแล้วก็ดับจิตหลงไปแล้วก็ดับจิตมีแต่เกิดกับดับเกิดกับดับทางทวารทั้งหอยู่ตลอดเวลาการที่เราเห็นจิตมันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับจะช่วยให้เราละความเห็นผิดได้พวกเราที่เป็นปูตุชนทั้งหลายเราจะรู้สึกว่าในร่างกายนี้มี ในเครื่องหมายคำพูดเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมในร่างกายนี้มีในเครื่องหมายคำพูดเราอยู่คนหนึ่งคนคนนี้อยู่ตรงไหนก็ไม่ร yes> ู้รู้แต่ว่ามันมีเราอยู่เราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็เป็นเราคนเดิมรู้สึกไหมเราตอนนี้กับเราเด็กๆเป็นเราคนเดียวกันหน้าตาไม่เหมือนกันแต่ข้างในนี้มีเราคนเดิมอยู่เราวันนี้กับเราปีหน้าก็เราคนเดิมอีกหรือเราชาติหน้าก็ยังคนเดิมอีก การที่เราเห็นจิตเกิดดับเราจะรู้เลยว่าไม่มีหลอกตัวตนถาวรจิตเกิดขึ้นทีละแวบแล้วก็หายไปทีละแวบแล้วก็หายไปเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆตัวตนที่ถาวรไม่มีเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งปัญญามันพอมันจะตัดเปรี้ยงลงไปเลยว่าในความเป็นจริงแล้วตัวตนไม่มีตัวเราไม่มีหรอกไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจนี้ ไม่มีตัวเราในที่ไหนเลยในอดีตในปัจจุบันหรือในอนาคตก็ไม่ได้เคยมีตัวเรามาก่อนสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเราเป็นแค่ความเห็นผิดเท่านั้นเองเป็นความหลงผิดเกิดจากอะไรเกิดจากการคิดผิดผิดทำไมคิดผิดผิดขึ้นมาเพราะความไม่รู้คืออวิชชาไม่สามารถรู้ความจริงของกายของใจได้ไม่เห็นหรอกว่ามันเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยคิดว่ามันมีตัวตนถาวรเพราะฉะนั้นเราภาวนานะเราคอยดูไป เบื้องต้นก็หัดดูสภาวะเพื่อให้เกิดสติพอเรารู้สภาวะแล้วต่อไปเราก็จะเห็นกายเห็นใจแสดงไตร ล, ลักษ์ไปเรื่อยๆเห็นกายไม่ใช่เราเห็นเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เราถึงวันหนึ่งก็เห็นว่าตัวจิตตัวใจนั้นไม่ใช่เราเมื่อจิตไม่ใช่เราแล้วจะไม่มีสิ่งใดเป็นตัวเราอีกต่อไปแล้วเราจะเข้าใจธรรมะในเบื้องต้นวันนี้เอาแค่ธรรมะเบื้องต้นก็พอนะเอาไว้ได้เบื้องกลางแล้วค่อยมาต่อเบื้องปลายเอาแค่นี้ก็แทบตายแล้วอ้าว พอสมควรไม่รู้จะเทศอะไรแล้ว